ก็มีพระสมัยสมุทรจีนสำพวกเดียวเท่านั้นม า, า, านกี่ร้านพระองค์ก็ประมาณแบบบรรยัติดเดียวยกันไม่รับกล้ากปรบบกันเรือทำเป็นโรคกระบาลกุ้งครองโลกความละอายตาบาความกลัวตาบตาเท่านั้นจะกุ้งครองโรคได้ถ้าไม่มียางอายตาบตาไม่มีความกลัวตาบตาแล้วโลกคนไหวคนหงอก็นทักคนขัวมันก็ตั้งมาอยู่ขอ ง, ง, งทําให้นําความหนึงก็หมดที่พึ่นถึเองอาศัยทำความช่วไม่ได้ในที่แจ้งสถาธรรมในที่รับมีน้าซํามาทําในที่แจ้งอีกะด้วย เราลงเลยลุย้มฐานเพลิงลุ้มฐานเพลิงก็ตักขินไม่ลำบีกับเราเจ้าพิเศว่าไม่ร่อนสักเพียงใดก็ไม่ถูกนั่นแหละอาจารย์เราเล่นเลขเล่นผาเล่บัตรเล่เบอร์อาจารย์ก็สอนเราอยู่อาจารย์เลขอาจารย์ผาอาจารย์บัตรอามือคือสอนอยังไงสอนในทางชิ้นหายมันชิ้นหายอยู่เส้งหน้าเส้นปากอภัยยมุขมุขะมุขะแปลว่าชิ้นหายอยู่เส้งหน้าเส้นปา หรือเป็นปากเป็นทางแห่งความชสียหายเรียว่าอบายยมุกคําว่าอบายเป็นชื่อไปในทางที่ไม่ดีอบายยปุ่มปุ่มไปในทางที่ไม่ดีทางเสื่อมทางเจริญก็ไม่รู้ทําไมเราจึงจะเจริญได้แมลงเม า, มาบินเข้ากองไฟขันใดบุกคนผู้เล่นเลขเลียดผาก็ไมือนแมงเม า, มานั้นเองทําไมจึงเป็นอย่างนั้น พราสติปัญญาอ่อนไม่สามารถจะต่อสู้กับความหลงได้ถ้าสติปัญญาเหนือความหลงแล้ความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ข้ามทะเลหลว่ถึงเอา้าคำสั้นสูงถึงเห็นอันนี้จังขณะเดียวแทรกรอบๆอย่างแล้วลกเต็มไปด้วยอันนี้จังเกิดขึ้นแล้วก็ ด, ดับไปมใบไม้มันเกิดขึ้นมาเพืเพื่อจะหลน่นใช่ไหมคนเราเกิดมาเพื่อจะตายใช่ไหมคําโพูด อันนี้จังอันนี้จังหยาบาอันนี้จังรายละเอียดยังมีอีกนึกขึ้นแล้วก็พูดก็ลงไปแล้วพูดอีกก็ลงไปอีกพูดอีกก็ลงไปอีกก็คืออันนี้จังเหมือนลมพัดค่อยก็ลงไปพัดแรงก็ลงไปหาระหว่างไม่ได้ใครจะรู้แล้วไม่รู้ก็ตามเป็นเียงเหวี่างนั้นอเรากําหนดลมให้จะออกพอกําหนดว่าต้นลมมันก็เป็นกลางลมพอกําหนดเป็นกลางลมบัญญัติว่าเป็นกลางลมมันก็เป็นท่ายลมไม่ได้ออกเลย กําเนก็เป็นต้นลมมันก็มาเป็นกลางลมัมนก็เป็นมาท่ายลมถ้ามันเป็นต้นลมเวลาหาใจเข้ากลางลมพราะแบบกําเนิดเป็นกลางลมยังมาทันจบมันก็เป็นท่ายลมนาฬิกาของมันกันเดิน พ, ด พ, ด พ, ดพัดพัดพัดอย่างถ้ามันมาได้เท่านั้นมันก็ลุกไปซึ่งหน้าอย่างผืนพุดายชีวิตของเราก็เหมือนกันที่สมมติว่าเราเราทำไมผนจึงไ ม, ม่เสมอกัารถ้ากรรมและผลของกรรมไม่เสมอกันศาสนาใดๆก็ตาม เป็นเมืองขึ้นศาสตร์พุทธอยูดด่ในตัวใครจะรู้หรือไงรู้ก็เป็นปัญหายกภาาหอเชืคิดจะมีกี่ล้านล่านประชีพไปในทางที่เหนือโดยใรู้ตัวจำใดคคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนธธพุทธศาสตร์นะโดยในรูปตัวจำไั้พูดอยู่กับจริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกางวานันกลางคืนเท่ในทางลึกถึงน้ำพองน้องคองบงบางต่างๆโดยในรูปตัวจำได้คาสอนใดๆก็ได้ลงตูวคาสอน เขพูดไในศาสนาโดยไม่พูดถว <SU iy ant> นคำไม่พูดอีกกขาจริงอีกมันขึ้อนอยู่กับู้รู้อะไรไม่รู้มันขึ้นอยู่กับผู้เชื่อไมเื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกางวานันกลาคืนเขลิมทิศก็ไม่ได้พูดว่าเราเป็นชี้ค่าทิศเหนือเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือเขลิมทิศก็ไม่ได้ว่าทิศเหนือก็ไม่ได้ว่าเออเราเป็นเอเย่นเป็นหน้าที่ของเขลิมทิศจะมาเป็นเมืองขึ้นของเราทิศเหนือก็ไม่ได้โอกห้งบางส่ แต่ความจริงในขั้นนี้มันก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลงวันกงคืนศาสนาพุทธก็เหมือนกันศาสนาใดๆมาเป็นเมืองขึ้นของเราศาสนาพุทธก็มาเนีพูดแต่เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวั น, นงคืนเอา้าเช่นโมกขลาสาธีบุตรก็มาจากศาสนาอื่นมาเป็นสามบ้างซ้ายบ้างขวาจึงสามารถทำอย่งบบางทศวรรษพันธุกรรมทางเมือนาทางอาหารได้มนุษย์เต็มภูมิคืออะไร คือผู้ไม่เชื่อใจตงละเมิดสิทธห้าไม่เชื่อใอยากถือศาสนาอยู่ไม่เชื่อใจอยากถืออยู่โยงคงกระพนไม่เชื่อใอยากจะลูกอวัยุฒมุกไม่เชื่ออยากจะจองเวียนทันตัวเลยไม่เชื่อายอยากค้าขายเคร่างผ้าคาขายมนุษย์้าขายสัตวเป็นเลี้ยงสัตว์ที่ตัวค้าเปลี่ยนอาหารค้าขาละมอค่าขายาพิษนี่คือมนุษย์เบื้องต้นคือสุปาพบุษโน่สมาทิเบื้องต้นคือสีทของพระโสดิบันอันนี้ไตรซี่ขาของพระสวัสด นโมของพระสวดาบันนี่นอกจนไงร่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่นักใจเราไม่ใช่ได้จากเอาลำลายคืนมาอีกมันนักใจมันมันก็ไม่นักใจเราไม่ใช่ได้จะกลองดูล้ม่านเถิงมันนักใจมันมันก็ไม่นักใจคนดีคนดีทําานง่ากคนดีคนชั่วทายากคนชั่วคนชั่วทําง่ายตรงกันข้ามเมื่อคูดมะแรงวันกินได้สะดวกแต่มะแรงขึ้นมันไม่สนเลยเราจะไปดึงมะแรงวัน มาให้เลื่อมใสมาในงพึ่งก็ย่อมเปลี่ยนไปไม่ได้ชห็นในก็ดีเราอยากเราจะไปดึงบุคคลผู้ตําต้อยวาดศาสําต้อยอย่างสร้างบารมีไม่พอที่จะเลื่อมใสพระพุทธศาสนามาให้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็อใหม่มาเพราะบารมีเขายังตําอยู่ก็ยังสร้างบารมีไม่พอเราจะไปโกหกให้เขามันงเขาไม่ถูกเราจะไปโกหกให้บาลานวันเขาไม่ถูกเพราะกรรมและผลของกรรมมันเป็นอย่อยางนั้นอ๋อถ้าชาวโลกมีเสียท่าบริบูรณ ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีตัวตรวนก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีเครื่องรบรา้าฝันก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเคนอนก็ไม่สะดุ้งวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างนั่นย่างจะนั้นสงบแล้วจะไปตั้งขึ้นกี่ระดัก็ตามถ้าไม่มีอย่างอาตาบาไม่คุณมีความกลัวตาบาแล้วมันก็มาอยู่ทำเป็นโรคบางคุ้มครองโรคสองอย่างคนรายตาบาความกลัวตาบาเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้พระบรมศาลาทุกพระองค์มายืนยันอย่างนั้น ไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปามาโน่ปกครองโลกมาได้ว่าอย่างนั้นยืนยันอย่างนั้นยืนยันแต่ว่าเราอายตาบบังควรตบบเท่านั้นใครเป็นผู้บัญญัติว่าบน ค, คุณโทษถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นแล้วดอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยว่อท่านพูดว่าจะหาคะแนนทางผู้ถือพระพุทธศาสนาเสียก่อนว่าจะมีกี่ล้านยิงจะสามารถตั้งกฎหมายขึ้นซักข้อ คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเราจึงจะตั้งขึ้นไว้ทหาเสียงกับแมลงวันจะให้มาเรื่อมใสแมลงพึ่งมันไม่มาหรอกถูกไหยก็ผู้บาลามีแก่กล้ามาแล้วจึงจะเรื่อมใสพระพุทธศาสนาทหารพยานที่ไหนชาติธนมไม่ใช่พยานพระพุทธศาสนาปกตินครปฐมไม่ใช่พยานพระพุทธศาสนาปกตพระพุทธรูป เต็มประเทศอยู่นั่นไม่ใช่พระพุทธศาสนาแบบนีมันเป็นใช่ใช่เป็นญาณของพุทธศาสนาแบบนี้ไม่ใช่เสียงของพระพุทธศาสนาแบบนี้พระพุทธรูปขุดได้ในที่ดินลึกหนึ่งเมตรก็มีมาแต่โบราณกาลหลายพันปีไม่ใช่เสียงพระพุทธศาสนาแบบนี้จะไปหาที่ไหนถ้าไตพี่ดกมีน้อยเล่มบริวารหมดขั้งทานวัตศีตรษะวัดภาวนาวัดทั้งอัฐะและพยายามชนะ บ, บริวาร ไม่ใช่พระพุทธรศาสนาะไม่ใช่เสียงวัคพุทธรศาสนาดอกหรือแบบจะไปหาที่ไหนอีกพูดผัดเพี้ยนประดับประไล่เฉยมาให้กที่ศึกเป็นการบ้านการเมืองที่ศึปไปสอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนละ่ะหน้าที่ของโยมมียังไง พ, พัคคัศตร์สอนอน่างนี้ด้วยกายะทําคือทํามะอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวิจิกรรมคือพูดอะไรอะประกอบด้วยเมตตาด้วยมโน ก, กรรมคือ คิดอะไรอะไรประกอบด้วยในตาด้วยเป็นผู้ไม่ปิด ป, ประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนด้วยหาไม่สถานเพศสัมพันธ์ในรับความลงชะเนี่แล้วย่อมอนุเคราะห์ฆรวาสด้วยศาสนาหกหนึ่งข้ามมันเขาทำคนชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามชี้ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังถ้าทําสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมฮกบอกทางสว่านให้นั่นหนักนักนันั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ ของผู้พูดและผู้ฟังนี่คําสอนเบางต้นสอนเบืงกลางสอนให้เรียบปฏิบัติตั้งต้นปฏิบัติเราคนทุกนวัฒนาสงสารสอนเบื้องท่าให้หลวนมากเธอนอนอยู่หลุมฐานเพลิงเธอจะนอนใจได้ไหมพระบร ม, มาชาติลาสอนชั้นชุดท้ายสอนชั้นกลาง ก, างก็ให้เรียบปฏิบัติพอมีพรจใจสีกีวนันเบญทบาท วัตถุนิยมเราก็ชมาอยู่แต่มันอยู่อยู่ใต้อุปองอานิสงางวัตถุนิยมเนี่ยทำออกมาจากธาตุดินน้ําฟลมก็แตกไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันแต่อุดมคตินั่นคือความรู้ธรรมเป็นที่เป็นจริงของวัตถุนิยมเรียกว่าอุดมคติคำสอนเขาพูดศสนาไม่ใช่วัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยถ้ามีอุดมคติและวัตถุนิยมมันดึงไปเองมันถ้าไม่มีอุดมคติวัตถุนิยมได้มาในทางที่ไม่ชอบมันก็อยู่ไม่ได้ ถอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอาจารย์วัตถุนิยมแล้วก็เขมาดีอยู่แต่ไม่อยู่ใต้อู่เขาอาจนรย์เกิดขึ้นแล้วก็แปลผลแตกกระจายดินแตกไปเป็นดินหน้าแตกไปเป็นหน้าไฟไปแต่เป็นไฟลมไปแต่เป็นลมอันนี้ทําขึ้นเมื่อธาตุดินหน้าไฟลมมีกิจการทางการคุยทาจะสวยกูร้าตอียงไหนกดฟังของแข็งก็ผังลงเป็นธาตุดินของเหลวก็ผังไว้เป็นธาตุน้าของร่อนก็ไปรวมที่ธาตุไฟของพัดแต่มาก็ไปรวมที่ธาตุลมมีทําชั้นสูงทำชั้นสูงพอท่วงท้วง ถูไปไปอีกเลยเห็นอ น, นิจจางคติกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเลยครัพราะโลกเป็นไปด้วยความเกิดดับคําพูดแต่ละอย่างะอย่างพูดขึ้นมาก็ล่วงไปแล้วนึกขึ้นมาก็ล่วงไปแล้าธรรมะชั้นสูงสมมติเราจะเป็นต้นลมก็มาเป็นกลางลมสมมติเราเป็นกลางลมก็มาเป็นท้ายลมต้นลมเวลาหายใจออกอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจท้ายลมอยู่ดั้งสมุขอยู่ปลายสมุข เวลาหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่นี่กลางลมก็อยู่ที่นี่สมมุติถ่าลมก็อยู่ที่นี่ลงไปลงไปลงไปสมมติเาดิการไดเท่านั้นเท่านี้มันก็ลงไปสิ่งน่างสมมุติว่าชีวิตของเราได้เท่านี้เท่า น, น, า น, นี้ก็สมมตุติเฉยอธิแทมมันล่วงไปเดี๋ยวนี้ใกล้จะตายกว่าเมื่อที่ขึ้นมาเมื่อเช้านี่นะใกล้จะตายกว่าระหว่างที่ขึ้นมาใครก็เหมือนกันหายใจเข้ามาออกก็บอกว่าตาย หายใจออกไปเข้าก็เลาวาตานอานนท์นอนแล้วมึคมัวใจวันละกี่รั้งน้อยคระ้มีแค่เจ้าข้าเออเธอยังประมาณอยู่นะอานนรับกาลังหายใจเข้าออกจึงจะไม่นอนใจในวัฏสงสารเอ้าความสุขในโลกมีไหมไม่มีถ้าความสุขในโลกนีพระทหารก็ไม่ไลยข้ามโลกไปหรอาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอมาจุดจบพบไม่ปะไม่เห็นเหตุนั้น พลทหารทิ้งข้ามทะเลหลงไปสร้างข้ามนี่หลงก็หลงอันนี้ไม่หลงอันนี้ก็ไม่มีสิ่งที่จะหลงถ้าไม่หลงใจก็ไม่หลงธรรมนั่นแหละถ้าหลงใจก็หลงหมดเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตาลุกพัฒนาเท่านั้นกลายเป็นสักว่ากายไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุพัฒนา เวทนาคือสุขทุกแลม่สุขไม่ทุกเป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักความเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานราพัฒนาใจที่เศ้าหมองหรือของแพ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักก้ายใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตานราพัฒนา พิจารณารมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ระสักว่าทำไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัฏนาเท่านั้นอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ใครเป็นเจ้าของทั้งสามกาลเนี้อดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตใครเป็นเจ้าของปัจจุบันใครเป็นเจ้าของเกิดได้แล้วก็แปรปรวนแต่สารก็เป็นแต่สักว่าอดีตเป็นแต่สักว่าอนาคต เป็นแต่สักดิปัจจุบันท่านคนนั้นก็ข้ามทะเลลงไปแล้วนั้นธรรมะขั้นสูงศีลขั้นสูงสมาธิขั้นสูงปัญญาชั้นสูงศีลสมาธิปัญญาของพระสารพรรวมคนในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของสกทาคามีรวมพนในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของอนาคามีรวมคลในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของพระอรหันต์รวมคนในปัจจุบัน คือเป็นมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญาแล้วสันทัตสันติทิกโกเห็นเองพระโสดาบันเห็นเองตามฐานันดรนของท่านพระสัาากระตาคามีเห็นเองพระอนาคามีเห็นเองพระอรหันต์เห็นเองเห็นจบแล้วโลภโกรธหลงเราก็ชนะหมดแล้วเราไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกหรอกตัดสินเราเองสันติทิกโกเห็นเองจบแล้วใครเรียนนโมจบ กพระทหันเท่านั้นเรียนโนมูตกพะสดาบันโมูแปลว่านอนอบนอนอบไม่ร่วงแล้เมิดอีึงท่าไม่เสียดายดังที่ว่ามาแล้วนั่นพระจักรทาคามีละเอียดไปกว่านั้นพระอนาคามีก็ละเอียดไปนั่นพระทหารนอบนอบจนแม้มาเกิดแก่เก็บตายนอบนอบจนไม่มีโรคเรามีกรธไม่มีหลงเรียกว่าเรียนโมูตกพระหารนั่นมันนนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของผู้พูดและผู้ฟัง เราต้องการคนชั้นสูงอย่างนี้ะว่าฟังคนไม่ลูกอี้หนูย่ยอี่เน็ตกรล บ, บากเหมือนกันงานแล้มาคอยผูยกเอาเรื่องเาผาเบื่อเรื่อยๆแต่คนว่าอยู่ระดับเดียวกันมันคนเฉลียไยใส่เราจะเอาทิฏฐิของโลกมาป้อนทิฏฐิของเรามันก็ไม่ถูกใครอยู่ระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นเมื่อแดงวันมันก็ยืนยันของมันว่ากูก็ได้เป็นของคลิปเหมือนกัน แมลงพึ่งมันก็บอกว่ากูก็เป็นของทริปเหมือนกันของทริปในทริปทําทริปมีความหมายเดียวกันทาดีก็ไปฉลองใจในทางดีทําชั่วก็ไปฉลองใจทําดีก็ต่ออายุของความดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ต่ออายุของชั่วอยู่ที่ใจทําบุญฉลองใจทําใจฉลองบุญมีความหมายเดียวกันขำบุญก็ต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไมเป็นปัญหาเหตุใจผลใจ เตุใจอันใดที่ไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาไม่รู้ตัวมักจิตมักใจขโมยเดินโค้งเล่ไกลจากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะตนก็ย่อมได้วนอยู่เช่นการนามเหตุใจอันใดที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยรู้ตัวมักจิตมักใจก็ไม่ขโมยเดินโค้งย่อมไม่ใกลจากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะตนก็ย่อมไม่ได้วนอยู่เช่นการนามคําชั้สูงนั้นอยู่นะเอ้าเราโกรธผลของความโกรธพวุ่งนี้จึงจะมาดอกหรือก่อมาเดี๋ยวนี้ เราเมตตาผลของความเมตตาพวกนี้จึงจะมาดอกหรือก็มาเดี๋ยวนี่เราอย่าไปความร้อนพวกนี้จึงจะมาดอกหรือก็ไม่มีอันใดก่อนครับอันใดหลังกับเวลาเหยียบใช่ไยเหยียบน้อยก็ร้อนน้อยหยีบมากก็ร้อนมากใช่ไหยเว่นน้อยก็ร้อนน้อยเว่นมากก็เว่นน้อยก็ไม่ไม่ร้อนเว่นมากก็ไม่ร้อนเว่นน้อยก็ร้อนน้อยเว้นมากก็ไม่ไม่ร้อนมากเหตุรักษาฝนเมืดอยู่หากันพอเ้ศไมย เหตุเริมตาผลเห็นอยู่ห่างกันพอเะก้าวไหมนะหรือจะว่าเหตุรับตาผลรับตาเหตุมืดผลมืดจะพูดอย่างนั้นก็ถูกเพราะมีเหตุสัมพยุสกับผลอยู่เหตุกรรมพืชผลของเหตุผลของกรรมผลของพืชก็มีปรหมายอะไรกันส่วนไปทางนิทางขั้วเนี่ยแต่เตุกรรมพืชเป็นประมารเหตุจะนั่นจึงปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธคําสอนในพุทธศาสนาพูดเชกรรมแล้วูดของกรรมก็คือ ผู้เชื่อพระพุทธศา ส, สนาเนี่ยเองผู้ไม่เชื่อกำรรลังคนเขากรรมจะเชื่อพระพุทธศา ส, สนายัางไงได้เพราะไม่มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาปัญญาไม่ใช่ตานอกๆปัญญานยะปฏิสุทธิ์ตุกคนจะปริสุทธิ์ในชั้นไหนก็ปัญญาปัญญาโลกาจินิปัทโทโพแสงสว่าเสมอโดยปัญญานี้ปัญญาสองทรุภูเขาเลยเห็นอันนี้จังคณะเดียวก็คือปัญญาเป็นผู้เห็นก็สำรองสองทรุภูเขาแล้วเพราะพักเขาจะแตกกระเจอทงเป็น ถ้าเข้าใจว่าใดๆในโลกร้่นบรรจุแต่อริจังทุกขังอนัตตาเชียแล้วความเทวตยาในโรกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลงใช่ไม่ถ้ามันเห็นชัดก็ตัดความสงสัยเห็นอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ไม่สงสัยโลกไม่มีกลางวันกลางคืนโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันใครเป็นเจ้าของผู้พูดในอดีตผู้พูดในอนาคตผู้พูดในปัจจุบันใครเป็นเจ้าของก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปอย่างสุดท้ายเลย เธอจงรูท้ทำมจริงปฏิบัติทามันจริงรู้คนทำมจริ ง, รงสักสภาวธรามาสตร์รู้คนจับความอหลงเธอจะหาความสุขแม่โลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ฝาหรอเราได้หาแล้วมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ฝาเหตุนั้นเราจึงข้ามความหลงของตนไปสักสภาวธราชั้นสูงเสียงก็ชั้นสูงสมาธิก็ชั้นสูงไปด้วยกันถ้าทำชั้นสูงทําแต่ว่าทรงอยู่มีอยู่ต้องไว้เชิงบาปก็มีตรงไว้เึงิงบุญก็มี สงไรสงะขวนเนี่ยผ่านก็ไม่เส้นอยู่นนยยกัู้รู้แล้วไม่รู้ไม่เส้นอยู่กับผู้เชื่อไม่เช่เป็นจริงอยู่ว่ามีกลางวันคืนเลยถ้าทำํำไมมีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่สามารถรู้ทาได้ถ้ามีอยู่ก่อนแล้วเขาสามารถรู้ทาได้เหตุนั่นเราจึงเขารโลกทำสัทธโมพุทธาธรรมว่าพ ร, าพพรพเจ้าองค์ไหนมาก็ ม, า ม, า ม, ามันมายามบัญญัติกันเดียวกันไม่ได้ตั้งไว้ว่าพวกคัดคาดพวกอนโมธนาเ อ, อพักนั้นพักนี่ไม่ได้ตั้งไว้เหมือนข่าวโลก ถ้าทําไม่ถูกใครก็มีอิสระที่จะคัดค้านได้ถ้าทําถูกใครก็มีอิสระที่จะอนุโมทนาได้ในพักเดียวเท่านั้นพระพุทธศาสนาพวกเราชาวโลกยิ่งคําสอนพระพุทธศาสน า, าก็ยิ่งไปใหญ่เล ย, เยถ้ากรรมและผลของกรรมในเมียเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสน า, ษ า, ษาเหมือนกันเขาทําไม่ดีทําไมเขารวยมากเออ เราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเขาก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนยังไม่ได้สังเกตกันยาพิษเคลือบนำตาหรือยาพิษต้งโต้งโก่งแก่เมื่อมันยังมาให้ผลเต็มส่วนมันก็ยังไม่รู้นเขารวยจะตายพวกเขาทำไม่ดีเอ้าไม่ใช่ว่าอยู่ได้ไหมรวยจะตายนั่นมันก็กากำหลังทั้งสอกทั้งขอกอ ประเทศที่เถื่อไม่มีบาปมีบุญเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ไม่ได้แตกกระเจิงแล้วเพราะแตกกระเจิงแล้วเงินก็ไม่มีค่าไม่มีใครจะค่าขายด้วยผลของกรรมตามสนองเอ้าใครเป็นเจ้าโลกไม่มีใครเป็นเจ้าโลกเลยรัสเซียก็ไม่ได้เป็นอเมริกากไม่ได้เป็นไทยกไม่ได้เป็นจีนก็ไม่ได้เป็นฝรั่งเศสก็ไม่ได้เป็นก็มีแต่ทุกข์กับตายใช่ไหมนั่นใครเป็นเจ้าโลกมันมีใครเป็น โลกในคืออะไรคือตาหูจมูกเลิ่อนกายกัโลกภายนอกคือเสียงเจลีรถผลพระธรรมลมในระหว่างกลาก็คือเกลียดหลงคือมหาสมุทรในระหว่างกลางโลกภายนอกคืออะไรตาหูจมูกเลื่อนกายกจโลกภายนอกคืออะไรโลกเสียงเจลีนวรถผลพระธรรมรมจึิงเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้น้ก็ดับไปเธอจังลู่ตาเป็นจริงเถิด เธออยากได้ใจห้งตาตาเป็นตาฝัว่าตาหูเป็นหูฝักมาหูตาหูถุงหเลี้ยงกายไปเก็เป็นตาฝัก่าตาหูถุงหูเลี้ายไปเธอจงรู้ทรรเป็นจริงสักอย่าไปติดอยู่แล้ไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นศัพท์เป็นบุคคลเธอที่จริงยศลงมาเป็นหนึ่งขึ้ตาเป็นเมืองขึ้นไปเห็นรูปแล้วก็ส่งลงถึงใจส่งโทรสัพ์ด่วนลงถึงใจได้ยินเสียงก็ส่งลงถึงใจดมกลิงก็ส่งลงถึงใจเรียบร้อก็ส่งลงถึงใจ ยันรอดอ่อนแข็งมากระทบกายก็ส่งลงถึงกายกายจะรู้ทํามเป็นจริงหรือไม่รู้ธรามเป็นจริงก็เป็นหน้าที่ของกายเรามีหน้าที่สง่งแล้วก็สงให้ถึงมันแต่คนตายส่งไม่ได้เพราะเวญญีญนยามมาอยู่ในที่นั่นบางคนพูดว่าเวีญนาณมีจริงไหมผู้ถามก็อมโ น, โนวีญญยามถามผู้ตอบก็อมโนวญญีนวญญาณตอบ ก, ก็ไม่คนถามกันบาปมีไหมบุญมีไหมผู้ถามก็เอาก้อนบาปก้อนบุญถาม ผู้ตอบเอากราบบาปกรอนบุญตอบคือเอาใจตอบบาปก็บาปที่ใจบุญก็บุญอยู่ที่ใจต่างคก็ต่างเอาใจถามใจตอบกันก็บ้าทีเก่งตายก็ <c oughs> เกิดไหมก็ตายจากเจ้าสายใบยที่ยังอยู่ทุกวันแล้วก็เกิดอยู่ทุกวันก็ไม่ควรถามคนตอบกันเอา้าเธอว่าเธอฉลาดเธอนับเป็นหินเม็ดทายในทองมหาสมุัตได้ไหรือไม่เม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนนับได้ไหม เม็ดดินเม็ดน้ำเม็ดไฟเม็ดลมนับได้ไหมผู้ฉลาดก็ตอบว่านับได้สิ่งที่เป็นของแข็งก่อนนับลงในธาตุดินสิ่งที่พัดไปมาก็นับลงในธาตุลมสิ่งที่รอดก็นับลงในธาตุไฟสิ่งที่เอิบอาบก็นับลงในธาตุน้ำเอกปัทเวีธาตุหนึ่งดินเอกปัทวีธาตุหนึ่งน้ำเอกปัทเวีธาตุหนึ่งไฟเอ็กปัเวีธาตุหนึ่งลม ย่นลงมามาทิ่ว่าสันหมื่นแสนย่นลงมาก็ย่นมาหาลักหน่มยทีนี้ถ้าจะว่าย่นถึงอสองไข่ผู้นักก็คิดว่าผู้ไปเป็นกรรมการก็คิดว่าวันไหนมันจึงจะเสร็จนักย่นสิถ้าพทุกย่นมาให้เอกกระทุกในปัจจุบันเห็นอันนี้จังชัดในปัจจุบันอันนี้จังใ น, นอนดีตมาโคตรก็รมตรองสองสัยนั่นอาศัยหลักปัจจุบันจึงเป็นพยานเอกไม่ใช่พยานหา จึเป็พยานที่ควรเชื่อได้ปัจจุปัญญนี่คือทำไมผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นใน ง, ง่อนง่า ย, า ย, าย ค, คลอนแคลนเลยพระบรมสารีราอาศัยปัจจุบันเป็นตัวพยานเองเห็นทุกในปัจจุบันทุกอดีตอ น, นาคตจะสงสัยทําไมเห็นโลกในปัจจุบันโลกอดีตอ น, นาคตจะสงสัยทําไมโลกไม้ของโลกมีอะไรสังขาราปรมานทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายเดียวกั้นพระบรมสารีรามทาชั้นสูงมาให้คะแนนโลก รถทีตีตีแปลผู้ย่อยยับไปไม่ได้พูดขุมไม่ได้ใส่ร้ายหมายสีทุกใบสีพูดตามเป็นจริงเรียกว่าไม่ลําเอียงพูดตามเป็นจริงเป็นจริงอยูอย่างหนึ่งไปพูดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูกหน้ากายนี่เต็มไปด้วยมูดพูดเนื้อไม่สะอาดช็กโกปรกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมศาสของเก้าไม่ส็อกกโปรเพราะจะฆ่า ความเมัอนไฮเป๊ตเราไปเสียงได้ไหมเราก็เสียงไม่ได้พูดตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงร่างกายนี้มีทุกมากมีโทษมากเราอาพาธต่างๆย้อมตั้งอยู่ในกายนี่จะคูโรคโคโรคในตาโซตาโรคโคโรคในหูคณะโรคโคโรคในสมูกนตีฟ้าโรคโคโรคในดินมุขะโรคโคโรคในปากตลอดข้างในข้างในและข้างนอกเต็มไปโรคเติโดยโรคทางนั้นของเก่าไม่มีที่จะฆ่า แล้วก็คาดคาดมาได้เกิดขึ้นแล้วมีแก่มีชรามีเก็บมีตายถ้าไม่ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่มีชราเนาะก็เถียงมาได้ชาติพิทุกขาตูมเดียวถูกพุทธเขามีชาติเป็นทุกข์นกัมมลกจากภพมรรคลงมาชราพิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์อีกตูมนี่ถูกพุทยิงยิงกระสุนนักเดียว ในว่าจังใจโลกทาตเลยใครหาความสุขในพระพุทธใครหาความสุขในโลกเจอเจอพบเห็นพระอรหันต์หาความสุขในโลกไม่เจอไม่จดไม่พบไม่ปักไม่เห็นเลยเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้รับไปเห็นแต่สังขารทั้งพวงเห็นนั้นจึงข้ามทะเลหลวงของตนไปซักวิญญาณปฏิสนทธิ์เข้ามานีงคําสอนจแจกละบทระรบาดส่งต่อพญานาคหมด มันมันขึ้นอยู่กับผู้รู้นะไม่รู้ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อสงสารท่านทัวมาแต่โลกอนนามัยอำนวยสงสารท่านทวมาแต่โรกอานาม่ยอำนวยนี่หรอวะมันจะตีบส่งเลือดไม่ทันมันจะตีบส่งเลือดไม่ทันหุ่นดำดีเป็นเนี้ยวชั้นยาวมาลัดกีแล้ว สมาทานไม่าไม่ตัดสมาธานไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลด้วยไปตรวจโรคดูแต่ไม่หนอนข้าคืนในโรงพยาบาลแต่ไม่ยอมผาเปหาตักเพระได้สมาธานแล้วเทวดาเขาคอยดูอยู่อีตาเท่านจะมีคําสั่งจริงสักเพียงไหนประกาศให้คนรู้ว่าตนจะไม่ผ่าไม่ตัดมันก็จริงเป็นจริงเพียงแค่ไหนน่าจะตามอีตาเท่านี้ยูพระบุตรเทวดาเขามองอยู่ ตามต้นไมต้ต อ, อ่วยเราโดยตลอดทั้งสวรรค์ด้วยตลอดทั้งใจโลกธาด้วยขอแคบเดียวเขาลูกเทวดาเทวดามีสามสำพวกสมมุติที่เทพเทวดาโดยสมมุติคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพรบรมราชาหรือท่านผู้มีคุณอุปัิเทพเทวดาโดยกาเนิดกาเนิดวิสุทธิเทพเทวดาโดยบริสุทธิ์คือพระทหารเรียกว่าเทวดาโดยความบริสุทธิ์ ผู้ปฏิเทศเทวดาโดยกําเนิดเทวดาอยู่ที่ต้นไม้ภูเขาบ้างหรืออยู่ต่อของาราวดอยบ้างหรืออยู่สวงสวรรค์บ้างภูมิโลคบ้างวิชุดทเทพคือพระหลานวัดที่สุดแลว้วไม่มีกิลเลสยกระเทพสามในทางพุทธศาสตร์เราบัญญัติเทพรามและบัญญัติบูชาสองอามิสสะบูชาบูชาด้วยอามิตรปฏิบัตบิบูชาบูชาโดยปฏิบัติตามประฏิสันฐานก็มีสอง อมิสจับปฏิสันถานปฏิสันฐานโดยอามิสธรรมปฏิสันถานปฏิสันฐานโดยธรรมปฏิสันโดยปฏิสันาโดยอามิสเช่นน้ำอย่างนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอามิตสนั่งน้ำอยู่นั่นเขียวก็ไปกินแล้วทำไมจึงไม่บอกเพราะว่ามันหนาวก็เลยไม่บอก <laughs> ปฏิสันฐานโดยธรรมก็คือพูดอยู่อย่างนี้แล้วพระธนางธรรมธนางชินาติให้อะไรเป็นฐานก็ไม่เท่าให้ทําเป็นฐานให้ทําเป็นฐานชนะทานทังง้งปวง เป็นห่วงบุตรที่นาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรมพระบรมศาสลาเป็นหัวพระราหนุนเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกเหตุนั่นจึงเอามาบวชซักที่คำชั้นสูเธอทั้งหลายเธอยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารเธอทั้งหลายยังไม่มียาณว่าเป็นพระรหันเธอทั้งหลายอย่านอนใจนะพระบรมศาลาเธอทั้งหลายนอนใจในวัฏสงสารกับเธอทั้งหลายนอนใจในลุ่มาสารพึ่ง ก็มีความหมายอันเดียวกันเดี๋ยวเธอจะเสียใจในภายหลังภาวนาจตนาเวลามีน้อยนักชีวิตของสัตว์หายใจเข้าไม่ออกก็บอกว่าตายหายใจออกไม่เข้าก็เล่าว่าตายอานุ์อานุาน์นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งร้อยครั้งไปเจ้าข้าเออเธอยังประมาดอยู่นะอานุนพร้อมกำลมหายใจเข้าออกจริง ด, ดีมากแต่พวกเรา ถ้ น, นึกความกำลงังไหวแกเขาออกก่อนเรียกว่ามันจะขี้เสเยียงป้าจะจริงพอเราคําสอนจากพระบรมศาสนาร้องเรียกอยู่มาเถิดลูกหลานเอ๋ยพ่อข้ามมาฝั่งนี้แล้วฝั่งไม่โรบไม่โกรธไม่หลงแล้วพ่อข้ามมาลูกห ล, ลานยังนอนใจอยู่ในรบโกรธหลงมีกิเลสเป็นนายหน้าใช่ท่านขว้าหัานอยู่ท่านทางหลายจงต่อตู้มัน ด้วยเสียนสมาธิปัญญาเถิดด้วยทานวัตรเียระวัตรภาวราวัตรเถิด Kid, จะต่อสู้ความหลงด้วยความไม่หลงจะต่อสู้ความโง่ด้วยความไม่โง่ต่อจะต่อสู้ด้วยความขี้เกียจด้วยความขยันจะต่อสู้ความลืมตนลืมใจลืมทำด้วยความไม่ลืมตนลืมใจลืมทำพวกเธอหลงอยู่นี่ไม่ได้หลงมากหลงใจเท่านั้นถ้าใจไม่มีเธอก็ไม่หลง เธอยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจใครมาต้องก็ไม่ได้ดินน้ําไฟลมภายนอกเขาไม่ได้ยึดถือว่าเขาเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไปขี้ใส่เขาก็ไม่โกรธเขาก็าม่จองเองเอาไปเผาไฟก็เหมือนกันเอาไปต้มก็เหมือนกันดินน้ําไฟลมของพวกเธอมีพูกเข้าไปห่วงถ้าเข้าไปต้องมึงไม่รู้จักกูหรือขน่ะผมคนเล็บควาหนังเด้นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, าม้ามหัวใจตาฟงงงตางฝืดไตปอดไตใหญ่ไตเล็กอาหารหมานอาหารเก่า มี่ธาตุดินแยกออกมาท่านมีเสน่ห์น้องเลือดเหมือนนคนนับตาไปมานามาหนมูกน้ำไขควนหนมูดเป็นธาตุน้ำไฟที่อ่างกายให้อบวนไฟที่ร่างกายให้กวนขวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธาตุไฟแยกออกมาท่านแล้วพัดขึ้นว่างบนลมหายลมระลมกั่ลมพัดลงเบื้องต่ําลมพายลมลมถ่ายอุจระถ่ายอุจจาะดันออกลมในท่องนอกระไรนอกไรลมพัดไปตามตัวเส้นเอ็นลมพัดใจเข้า ลงมหายใจออกความพิจารณาการนี้ครัจะเห็นเป็นแต่เพียงธาตุสีคือดินน้ําไฟลมประจุกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกธาตุธรรมฐานพรบรมสารีราสอนวิธีปฏิบัติหนึ่งถ้าหูจะมุกเลื่อนกายใจ ย, ยอนลงเป็นสองถ้าหูจะมกเลื่อนกายดอนลงมาเป็นปรูปธาตุใจยอนลงมาเป็นนามธาตุเกิดขึ้นแล้วประดับไปรูปมีดินน้ําไฟลมปวนจุกันเป็นรูปที่นี่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนากับลูกก็เกิดขึ้นเราผลดับไปถึงเหมือนกันสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นจะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นจะดับในปัจจุบันสังขารละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดกับอย่างละเอียดสังขารการก็เกิดขึ้นอย่างการดับอย่างการสังขารอันหยาบก็เกิดขึ้นอย่างหยาดับอย่างยาดความเกิดดับสังขารของสังขารหาดราม่ได้ไม่มีรงไม่มีรงตรรมะเลย เธอทั้งายจงรูท้ทําสิ่งคนจิตวิทําจริงรถคนทำจริงเสียตื่นเราไปยึดถือว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ท่าบุคคลทำชั้นสูงพันิุพานธุ์ไม่เกิดไม่ดับไม่สูญไม่หายไปไหนใครเป็นผู้เสวยพันธุพานก็พระนิุพานเท่านั้นมีเสวยพันธุพานไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปสูญแล้วพูดอยู่เดี๋ยวนี่อะไรก็คือสังขารในกองทุกข์พูดอยู่นี้พระนิุพานไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยโลกคือมูสัตว์ชราพระยาที่เขาไปใกล้ไม่ยั่งยืนโลกคือมูสัตว์ จะได้ซิ่งซากไว้ในแผ่นดินโรคคือหมูสัตว์ไม่อิ่มเป็นธาตุแทงตันหาคือความเสื่อมถอยทำชั้นสูงความตริกเป็นเครื่องสัญจรของโลกเยอะกว่า น, นึกนั้นนี่เยอะกว่านึกนั้นนีอ้อยอะกว่านึก น, นัก้นีน่นนดับไปดับไปแับไปแล้ไปแล้วก็วนมาเป็นทาํามเป็นของเก่าเป็นรอบๆไม่มีรอบใหม่ไม่แต่รอบเก่าเราพูดอยู่เนี้นยยังก็ไม่ใช่รอบใหม่รอบเก่า น, นาฬิกาก็เหมือนกันหมุนดวน อสารรมสนันนุพระธรรมเป็นของเก่าบาปก็เป็นของเก่าบุญก็เป็นของเก่ามรควนิพพานก็เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เลยของเก่าที่ควรละก็มีของเก่าที่ควรเว้นก็มีของเก่าที่ควรปฏิบัติก็มีการดื่มสุราก็ดื่มมาแต่นานเนี่ยการเว้นก็เว้นมาแต่นานเหมือนกัน <c oughs> จำพวกที่เว้นก็เว้นมาแต่นานเหมือนชั่วชีวิตหนึ่งเก็บเอาน้ำตาไว้ยศหนึ่ง ชั่วกับหนึ่งไม่ให้อันตราฐานไปกลับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บ้างสี่พระองค์บ้าไม่ให้น้าตาหายไปก็ใหญ่าากว่ามหาส ม, มุทรเสมหาส ม, มุทรแต่ละคนละคนถ้าให้ไม่ให้อันตราทานไปชั่วกับหนึ่งชั่วชีวิตหนึ่งก็เก็บเอากระดูกไว้เท้าหัวแม่มือชั่วกับหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บ้างสือพระองค์บ้างไม่ให้อันตราฐานาไปก็ใหญ่กว่าภูเขาเหิมะอะไร พระบรมสารีรัตน์ที่ดินที่ไหนพวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้มาเหยียบไม่มีเลยเพราะท่านทั้งหลายเคยเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาเป็นอะไรมาทุกชาติทุกภบแล้วจึงในเลื่อนตาแหน่งมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ถึงพระสวัดา์มาแล้วก็ดิ่งไปทางพระนิพพานเลยถ้ามาอย่างนั่นละก็วนอยู่นะพูดที่นี้กระดูกนะท่านไปมองดูดูคนนี่มาเคยเป็นหน้าเป็นป้าเป็นอาเคยเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลียญเป็นอะไรต่ออะไรในไต่โลกธาตุไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึลล่งลวกหลานเออพอเห็นกันแพลบเดียวก็ถูกเนื้อใสกันแล้วอันนั้นเคยถูกเนื้อใสกันมาแต่ชาติก่อนพอเห็นกันแพลบเดียวยังไม่พวกก็เบื่อแล้วอันนั้นเคยเบื่อหน่ายกันมาแต่ชาติก่อนทั้งคู่ทั้งนั้นประวัติศสตเธอจะไปหาดูดูในโลกอนี้ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเลยเห็นนั้นเธอควร แะอาควันซังเมทที่ตนได้เคยลงมาซักย่าสําคัญว่าตนเป็นคนฉลาดหรือถ้าว่าพ้านทุกข์ในวัดตาสงสามแน่ยิ่งสําคัญว่าเป็นคนฉลาดเน้อพราาว่ศสถ้ายังหลงอยู่ในวัดตาสองสามเนี่ยเธอทั้งหลายอย่าสําคัญตนว่าผู้ฉลาดเถิดเดี๋ยวความเข้าใจผิดอันนั้นจะเป็นอุปาทานอันนี้คืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังจะมาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ ท่านทั้งหลายอย่าไปยึดถืออดีตอนาคตปัจจุบันเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเถิดถท่านทั้งหลายไม่ยึดถือปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นรัสศักว่าธาตุเป็นรัสศักว่าธรรมเป็นรัสศักว่าขันไฟเกิดดับเปลววงไปลววองไปท่านทั้งหลายจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกวิญญาณมรดิสันเทียของท่านทั้งหลายก็จะไม่มีอัตมาทุกปารทานความถือมั่นวัตถุพระวจนวัตถุของท่านไม่มีในที่ใดท่านก็ข้ามทะเลลงไปแล้ว วโรมะชาตานิธรรมะสันถุงคำว่าปาทานถือมันในกามทิฏฐุปาทานถือมันในทิฏฐิและความเห็นศีลปตูปาทานถือมันในเห็นพลดอ ต, ตวาทุปาทานถือมันวาฏฏวัตตนวัตตัวของพวกท่านยังมีอยู่ตราบใดเพราะท่านก็ ย, ยังจะมีทราบมีพบอยู่ตราบนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเป็นจะกรเพียงสัาขาในของทุกท่านั้นวิญญาณมาติสันทิและความโลกโกรธหลงของท่านทั้งหลายก็หายไปณนจะุดนั้นเองธรรม้นสูง สีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงเลื่อนขึ้นตำแหน่งไปด้วยกันเลยเรารู่สมมติตามเป็นจริงของสมุติเราลู่วิมุตติตามเป็นจริงของวิมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเราลู่สังขารตามเป็นจริงของสังขารเกิดกับเรารู่พันิชพานตามเป็นจริงของพันิชพานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าเราติดอยู่ในพันิชพานก็เรียกว่าเราไม่รู้พันิชพานถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขาร เราไม่ติดอยู่ในที่ใดๆ ท, ทั้งสิ้นเหมือนนกบินในอากาศไม่มีรอยเลยเหมือนมีดเฉือนน้ำไม่มีรอยเลยเห็นนะเราถึง ข, าขง้ามทะเลไปซักระบบโลมาตราทำชั้นสูงทำแจกระบบระบาดส่งต่อพระนิพพานหมดเช่นพรพาหิยะท่านได้สร้างวันมีมาแต่ชาติก่อนกล้าแล้วทําแต่ระบบระบาดส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับบรารมีของผู้แก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่า น, นั้นคาดกําลังบินท่าไ พาเนียไปรบกวนประเทศเป็นโยมอยู่แต่พอพะพุทธมรรสสตาครับเห็นแล้วก็รู้สักแล้วหมอนี่ชายคนนี้จะสําเร็จประหาดในวันนี้รู้สักแล้วพระพุทธมรรสสตาแต่พูดไปตามก่อนเฉยๆไม่องค์สำเร็จพระพุทธมรรสสตาเทศน์ก้าวฟังด้วยเออเรากําลังจะเรากําลังบินธมาดอยู่ไม่สมควรแต่ว่าพูดไปเฉยๆก่อนจะทไปเพราะพระสงฆ์ตามหลังก็ณีไม่เป็นอย่างนั้นพระเจะฆ่า และก็มาได้หวังว่าพราะบรมศาสานาไม่รู้เข้าลูเกเข้าหมดแล้วพอแป๊บเดียวก็เห็นก็คงรู้แต่ก่อนพาไปเ้าก็จะกลาบทูลบางทีพระบรมศาสานาเส้นลมปรานขณะ น, น, นี้ก็ได้บางทีเข้าก็ได้ไม่นอนใจในชีวิตมีชีวิตเลยก็จะฆ่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่สภาวะรู้เป็นแต่สภาสวะเห็นเออครับพอเลยวพ้จากเกเรหมดแล้วทําไมจงเป็นอย่างนั้นเพราะบารมีแก่เข้ามาแในอาสาจักร ดอกบัวมันจะบานพอได้รับแสงพระอาทิตย์มันกุมวาดอกเลยที่ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเป็นจด้สักว่ารู้เป็นได้สักว่าเห็นแต่ฉานนะปฏิสัมพิทาสี่ปฏิสัมพิทาสี่มีอะไรบ้างอัตตะปฏิสัมพิทาแตกฉันในอธรรมะปฏิสัมพิทาแตกฉันในธรรมนิรุตติปฏิสัมพิทาแตกฉานในนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมพิทาแตกฉานในปฏิภาณดียว่าปฏิสัมพิทาสี่เป็นได้สัว่ารู้เป็นได้สว่าเห็นครับพอแล้วทําไมจึงว่าอย่างนั้น เป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้สําคัญว่าตนเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่สําคัญว่าผู้เห็นเป็นตนจนเป็นผู้เห็นไม่เห็นเป็นแต่สกว่าเห็นจบลงเพียงนั้นเพราะการรู้การเห็นมันก็ดับเป็นมันกันเร็วที่สุดเกิดดับเป็นเร็วที่สุดดยวก็เห็นนั่นเดี๋ยวเห็นนี่เห็นรู้นั้นรู้นี่ก็ดับไปแล้วไปแล้ววนเวียนมาอยู่ปุ่ปัญญฉันท้าใจไมมมั่นยืนยันว่าตนคงไม่พ้นยาพิษมานเถอะ กิจมุกเขาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตปั้นน้าให้เป็นตัวมัวเมาหลายตายเป็นอดีตกิจครา้งอยู่ผู้อนาคตเราบให้หมดอนัตตาธรรมกรรมจะไม่นําติดต่อขอพบในถูกลบลงถึงธรรมว่าไม่อยู่ห่างทางไปนิพพานถ้าเชี่ยวชานเดินมัคควิถีต่อติดดีไม่มีวันเว้นใครก็เด่นเห็นธรรมไม่ตานจะบรรยายไปหลายกหลาล้าหล้านก่อนกระบะก็ออกจากอันเดียวหลงอันเดียวก็เที่ยวอยู่ในสงสารอยู่นานเรื่องชา้าปัญญากล้าหันหาต้นเหตุ รุ่นนิเทศเป็นเอกจิตธรรมเมื่ร่วงล่ำไปหาทางเอื้อมให้ต้องตื่นในเรื่องวงหางการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะได้ล้นไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ปัญญาสู้ผู้ให้ความหลงลงภาระจะสามกองอยู่รุนิเทศจะกล่าวบรรยัปผู้รู้ชัดก็ต้องเห็นเองคนอื่นเพ่งว่าดีหรือชั่วนั่นเป็นตัวสมบัติโลกาเป็นแต่สักวะูลกกับแต่สักวะเห็นไม่เยอะผูู้ผู้เห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นมงคล มันก็ข้ามทะเลหลงไปหมดแล้ว <ś led> ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะบารมีแก่กล้ามาแล้วเพียงครั้เดียวเท่านั้นเอ้าดอกบัวสีเหลามีแต่ข้างพุทธกาลหรือข้างนี้ก็มีดอกบานกานอบมันเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเป็นภูมิดอกดอกเสมอนม้ําก็เสมอหน้ําเต็มภูมิดอกใกต้หน้าก็ใต้หน้ามเต็มภูมิดอกใต้หนา้าก็คือยังไม่ถึงพระโสดามันดอกที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็คือถึงพระโสดามันแล้วก็นับวันจะบานไปดอกบัวสีเหล่ามีอยู่ในข้างพุทธกาล ทั้นนี้ก็มีอรอกว่าสี่เราเทียบกับแต่ละบุคคลก่อเดียวกันเทียบกับคนในโลกแต่และดอกก็เทียบแต่ละบุคคลผู้ยินดีในทำสาระความยินีทั้งปผู้สนใจในทำสาระความสนใจทั้งปวงผู้ตะเกียกตะกายเพื่อคนทุกในวัฏจักรสารปัญหาไว่มากคำถามอย่างนิดเดียวทําไมจึงคนถาไม่มากเขารู้ว่าโลกทั้งหลายเต็นเปด้วยกองทุกเต็มไปด้วยเกิดและก็แปรปรวนและแตกสลาย มองไปทั้งอดีต humor, ทั้งอนาคตปัจจุบันก็เห็นอันเก่าไม่ใช่อันใหม่ก็โอนไปเอไปน่อมไปเพื่อชะละความหลงของตนที่เคยหลงมาเท่านั้นชะละความหลงแต่ความไม่หลงเท่านั้นสติปัญญาเต็มภูมิเท่านั้นจึงชะละความหลงถ้าสติปัญญาอ่อนก็ชะะความหลงจะเป็นอกีกประเทศมรุสัตวธรันต์ต่กว่ามันั่นลงมาอยากเอ่ยเลยต่ํากว่าพระสัวันลงมายินดีในทําชนะความยินดีทั้งูวงทําไมจึงยินดีนะพุทธศาสนา พราะบารมีแก่กล้ามแล้วทำไมจึงไม่ยินดีในโลกทั้งปวงเพราะเห็นโลกทั้งปวงชัดเต็มไปด้วยอนิจจังไม่มีอะไรจริงยังอยู่เลยเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นทุกข์อยู่ในตัวก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอยู่ในตัวไม่ใช่มาอนิจจังอยู่ที่นี่แล้วก็ทุกข์ก็อยู่ที่นี่แล้วอนัตตาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ก็อยู่เป้าเดียวกันไม่ใช่ว่าหนังอยู่ที่นี่อันเดียวมีทั้งเนื้อทั้งกระดูกแลมยึดกันอยู่หเห็นหน้าก็เห็นตากัานที่ว่าเห็นหน้าก็พรพูดย่อ อ้ที่แท้ก็เห็นตาเห็นแก้มเห็นปากกันเหมือนกันใช้คําว่าเห็นหน้าจะพูดอักษรย่อเห็นปัจจุบันก็เห็นอดีตอนาคตเหมือนกันปัจจุบันก็เกิดดับอยู่แล้วอดีตอนาคตก็จะไปไม่เกิดไม่ดับไปไหนเพราะอดีตก็เป็นนิทานของปัจจุบันที่ร่วงมาแล้วอนาคตก็เป็นนิทานของปัจจุบันที่ยังมามาถึงเพราะปัจจุบันเป็นผู้ไปเหนี่ยวร่างมาสมมุติอนาคตก็คือผู้ปัจจุบันไปเหนี่ยวร่างมาเห็นฉะนั้นก็เลย ปัจจุบันเอาปัจจุบันไปฟังเนี่ยานไหมเอาปัจจุบันไปเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาเอาจิตปัจจุบันแลจิตปัจจุบันธรรมเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญากรมเกินกันเมื่อข้ามถึงฝั่งแล้วก็ไม่ติดอยู่ในปัจจุบันและจิตอันไหนรู้ไม่ได้ผ่านมีจิตไหมไม่ได้ผ่านเขาอรหันต์ตายแล้วอรหันต์ยังไม่ตายมีจิตอยู่แต่จิตของท่านไม่มีกิเลส พระทหารที่ยังไม่ตายรักษาจิตไม่ไม่ได้รักษาเพราะจิตของท่านไม่มีโทษเพราะท่านไม่ยึดมันถือมันในจิตแล้วเป็นได้สักว่ารู้เป็น Rolle, ได้สักว่าเห็นถ้าพระทหารรักษาจิตอยู่พระทหารก็เป็นทุกข์เหมือนคนคุมรับโทษเพราะเกรงว่ารักโทษจะรักหนีเกรงรับโทษจะทําอันตรายแก่ตนด้วยเหตุนั้นพระทหารจึงไม่ไ <intellect> ด <cat> <aced>. ้รักษาจิตเพราะจิตไม่มีโทษแต่พวกเราไม่รักษามันปิดจริงจริงนี่ฉะนั้นจึงเั็นอย่างว่ารูปจิต เกตสิกนิพพานนิพพานต่างไม่ใช่จิตจิตถ้าปฏิบัติถูกก็เป็นข้นทางเข้าสูงนั้นพานถ้าปฏิบัติผิดก็ต้งสูญนรกพระอรหันต์ตายแล้วมีจิตไหมไม่ได้บัญญัติว่าจิตบัญญัติเป็นแต่เพียงว่าทำอันไม่ตายเท่านั้นทําอันไม่เกิดไม่ดับเท่านั้นโกคะหอนเหมือนเกจะตายแล้วจะมาบัญญัติกรหมูมันก็ไม่ถูกมันไม่สรงจิตเปลวไฟอันกําลังลมพัดเมื่อดับไปแล้ว ไม่เป็นหน้าที่จะไปยืนยันว่าเปลวไฟไปตั้งอยู่ที่หน้าที่นี้พระบรมสารีริกธาตุนั้นถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์ที่ก็ไม่สำคัญว่าศูนย์เป็นพันิพานไม่สําคัญว่าพันิพานเป็นศูนย์ถ้าว่าพันิพานศูนย์ทำอันไม่ตายไม่อยู่จะศูนย์ไปที่ไหนี่ทําอันไม่โรคไม่กวดไม่หลงไม่มีแผลไม่เจ็บไมีอยู่จะศูนย์เลยเถิดมันก็ไม่ถูกศูนย์แตเพียงว่ามันมีโรคมีกวดมีหลงมีแก่นี้เจ็บมีตายมันไม่ใช่ศูนย์จนเลยเถิดพันิพานทีนี้ สงครามสงครามอนัตตากําลังเอากันอยู่แล้วนี่มท่านก็บอกว่าพระนิพพานไม่ใช่อนัตตามาท่านพพระนิพพานเป็นอัตตาอัตตาคือตนอนัตตาคือไม่ใช่ตนถ้าก็เถียงกันเป็นสองกลุ่มคนท่านผู้ใดอยู่ในระดับใด ก, ก็ก็เถียงอยู่ระดับนั้นท่านทุกคนแล้วพระอรหันต์ก็เถียงว่าข้าไม่มีกิเลสท่านก็เถียงเหมือนกันที <c> ่ <oughs> <c oughs> พูดที่ไม่พ่นมันกดอยูระดับใดก็เสียงระดับนั่งนะฝ่ายดวงปัจจัยไม่ใช่ธรรมะจักกลุกธรรมะจกลุกที่ท่านออกมาธรรมะจักลุกออกมาทุกวันโต้กันในธรรมะจักุกพระพระเนปทานเป็นอัตตาตัวตนพระเนปทานเป็นอานาตตาทาัพเทธรรมาอานาตตาติคทัพทั้ทาทางหลายสังพวงเป็นอานาตตาหมายถึงพระเนปทาพนพระเนปทานเป็นอานาตตาที่ไม่เกิดไม่ดับสังขารเป็นอานาตตาฝ่ายเกิดดับ ผู้นัน้นอบายอย่างนี้ผู้นั้นว่าว่าสังขารเท่านั้นเป็นอนัตตาพระเนปานมันเป็นอนัตตาเถียงกันอยู่เรากวรนึกนึกว่าบ้ามันกำลังพูดไว้เถียงกันทําไมพระเนพานไม่ใช่กิเลสสังขารก็ไม่ใช่กิเลสผู้ไม่รู้เท่าพระเนปานผู้ไม่รู้เท่าสังขารเป็นกิเลสตั้งหาเรานึกอย่างนี้เอ้าถ้าพระเนพานไม่เป็นอนัตต า, า, า, านนตใครเป็นเจ้าของพระเนปานก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไปยืนยันได้หรอว่าพระนิพานอยู่ในโรงแข่งของข้าพเจ้าคนเดียวใครจะถึงพระเนรพลก็มาให้มาขอากับข้าแล้วว่าทำไมพระเนรพลเป็นของการอยู่เขาเรียกพระพระนิพานไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตบุคคลเป็นอนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาฝ่ายเกิดดับพระนรพลก็เป็นอนัตตาฝ่ายเกิดดับฝ่ายไม่เกิดไม่ดับทุกเป็นอนัตตาที่คนกําหนดรูปบาเป็นอนัตตาที่คนเว้นบุญเป็นอนัตตาที่คนจเจริญรักฝนิพรพลเป็นอนัตตา ที่คนทำให้ยิ่งนี่รียว่าเป็นอารตตาที่คนทํำให้แจง้งอ้าตาหูจะบุกเลี่ยนกาย ใ, ใจครับมันก็ไม่ว่าปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธใครเป็นใส่ผู้ใส่ชื่อตาหูสมบุกเลี่ยนกายใจยิดเป็นผู้ใส่ชื่อตาครับมันก็ไม่ว่าปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธโอเบขามันก็ไม่โอเบขามื อ, อครับมันก็ไม่ว่าปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธวางเฉยมันก็ไม่รู้จักจะวางเฉย สมุขเล่นกายก็เหมือนกันคือเออท่านมาใส่ชื่อเรือนามให้ข้าว่าข้าพเจ้าว่าเป็นตาของสมุขเล่นกายแล้วข้าพเจ้าจะตอบแทนท่านจะใส่ชื่อท่านว่าใจเขาก็มาได้ว่าใจไม่มีใครใส่ชื่อเรือนามให้ตนก็ใส่ชื่อตนว่าใจใจใจใหญ่ตนไปใส่ชื่อให้เขาว่าตาของสมุขเล่นกายแล้วถ้าใจไม่รู้เข้าใจตอนไหนใจก็เป็นทุกตอนนั้นถ้ารู้ชาวใจโดยสิ้นสุดก็ข้ามทะเลใจไปแล้ว กเเอาลรนะทีนี้นะเนี่ยเดชพระพุทธศาสนาด้นะคนทรงพระมรคนข้ามันมีสมาและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กัผู้รู้อะไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่ออะไรไม่เชื่อมาเป็นอยางนี้พวกเขาทั้งหลายขึ้นมาในที่นี้พอดีขึ้นมาในที่นี้พอดีจงว่าตกแต่ความสุขความเจริญในาวระพุทธศาสนาเขาพระธรรมทุกพระเจ้ายิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกอย่ชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือในปัจจุบันนกิตปัจุบันรรมอยู่ทุกเมื่อมันมีมาธิปฏิภาณหมดเวลาเนี้ย พูดวันไปวนมาอยู่มันก็เป็นอ น, นิจจังเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้พาแม่มาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยพอสังขารที่ความทุกขท่านั้นชาวโลกเนะี่ยพุทมาแย่งแดดแย่งแร่งแย่งเร่งแย่งลมกันไม่มีใครได้กําแดดกํำลมมาชาวโลกค้ายๆก็ว่าหยอกเงาเจ้าของทุกวันเราเหนื่อยเงาก็เหนื่อยด้วยชาวโลกเขาพวกเรามาก็ไม่ได้เอาอะไรมา ก็ไม่เอาแต่กิตดวงเดียวเข้ามาเวลาไปก็เอาแต่กิตดวงเดียวไปเซะนั่นหมายความผู้ไม่พ้นผู้พ้นแล้วกิจก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทิ้งหมดแล้วเพราะรู่เท่าแล้วก็ไม่ไม่เอาสิ่งทั้งพวงมีแต่สังขารลงล้วนไม่ใช่แต่ไม่ใช่บุคคลนี่ก็ไม่ต้องสมมติทิ้งเมื่อรู่ทันมันทิ้งเองมันแครนั่งนั่งภาวนาก็จะแข่งกันทางนั่งได้นานมันก็ไม่ถูกลูกเอ๋ย กบและอึ่งอ่างมันนั่งอยู่ปีหนึ่งมันจึงจะออกขั้งหนึ่งทําไมจึงไม่ว่าพระอรหันต์กบและอึ่งอ่างถูกไหมเราจะไปชั้นเกยแข่งกันมันก็ไม่ถูกลูกเอ๋ยถ้าเราไปชั้นเ ก, กแข่งกันเราทําไมจึงไม่ว่าอรหันต์บุ้งอรหันต์หนอนเราทําไมเราจรึงไม่ว่า อรหันโครอรหันกระบือเพราะมันกินแต่หญ้าใช่ไหมทีนี้เราจะไปชั้นเนื้อชั้นปลาแข่งกันว่าเป็นพระหันทำไมจึงไม่ว่าอรหันเสือทำไมจึงไม่ว่าอรหันงมูมันกินแต่ของเดิบบชวนการกินการชั้นพระบรมศาสต า, า, าบัญญัติไว้พอแล้วไม่ต้องไปทุ่มเถียงเกี่ยงงานงานกันดอกลูกเอ๋ยถ้าใครเดินจงกรมเก่ง คนจาเป็นพระรหันต์ม้ามันวิ่งตั้งสามโยศทำไมจึงไม่เป็นพระรหันต์ูงไหมก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาต่างหากพระบรมศาตดาเรานอนเรานอนในฌานท่นนเราไปนอนเฉยๆถ้าวันไหนเรานอนไม่นอนหลับคาภาวนาเราเรียกว่าเรานอนประมาทท่านผู้ยังไง ที่นี้เราจะไปนั่งแข่งกันใครนั่งไนนานคนนั่นภาวนาเป็นมันก็ไม่ถูกนั่ลงปูหงป่หลุยลุงปู่หลุยจะนั่งหรือยืนเดินนั่งนอนก็ตามขอแต่ให้มีสติปัญญาก็พอจะพูดอย่างนั้นลุงปู่หลุยพูดถูกกับเกศของเรา